ตอเวลาต้อรับถึงเวลาอาจารย์สอนอาจารย์สอนก็ต่างกันไ่อยากจะพูดไม่คิดถึงเลยอาจารยคสอบอาจารย์สอนก็ต่างกันเลยสอาของแม่มาดูนะครับขึ้นกลับมาหนึบทสวนวิธีนะ หนร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับข้อที่แปดสิบแปดนะทิสูรูปใดพึ่ให้กระทรําเตียงหรือตังที่มีการยัด น, นุ่นต้องอาบัตปาจิตตีที่มีการลือนุ่นออกเป็นวินัยกรรมปุธาละหน้ากาบปาจิตตีปาจิตตีที่ต้องลื้วัตถุกออกก่อนจึงจะแสดงอาบัตตก เตียงสายันุ่นนี้ไม่ได้นะเขาทำเตียงต่างๆแบบยะนุ่นทั้งภในตัวเลยนะครับใครเห็นไม่เข้าหลวงพ่อใช้ใช้วิธียังไงครับคราบแต่เขทำ้ารองลองทำแบบงานเหมือนเขาพี่บางตัวเขามีแต่ของติ๊กเขาบางตัวมันเป็นฟองน้ำใช่ไหมครับครัีามก็คืออะไรพุ่มเขาไปมาต่อผ้าลองก่อนหรือเปล่า อ๋อผ้ารองก่อ น, นะครับแล้วก็ใส่นุ่นเข้าไปใช่ไหมแล้วก็คุมปิดอีกชั้นอยู่ใช่ไหมครับเขาเย็บเป็นรูปอ๋เอเย็บเย็บเป็นรูปไปเลยเแล้วก็นุ่นยัดใส่ตรง น, นั้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไปติดเืไปติดกับต้นหรือก็ อ, กอีงครับโต๊ะเตียงขาแต่ถ้าเป็นอะไรนะฟองน้ำหรือใยสังเคราะห์นี่ก็ไม่เข้านะอันนุ่นก็นุ่นจริงๆนะครับถ้าฟองน้ำใยสังเคราะห์ก็ไม่เป็นไ นี่ยะผมนั่งนี่ก็มีฟองน้ำเลยนี่พักตัวนี้นะไม่เป็นไรนครับโซฟาก็าฟองน้ำไม่เป็นไรนะครับอย่างเช่นอะไรนะเตียงต่างหรือว่าสันีที่นอนเนี่ยรู้จักสมมนะะันีไหครับรู้จักนะครับน่นนะที่นอนที่ยันสมดีพา้าก็นอนไม่ได้นะครับอันนั้นยัต้องมาทุกกลนะนอนไม่ได้ใช้ไม่ได้นะแต่นี้เป็นเตียงต่างที่ทําขึ้นมาเองนะ ควาก็ดีใช้ธรรก็ดีเหมือนเดิมนะยืนยันด้วยนุ่นนะครับต้องแบไปตีต้องหรือว่าถูกออกก่อนเมี่อแสดงอาบัตตกอย่างไรเหมือนกันขึ <c oughs> ้นมาอย่างนะครับขออธิบายเหมือนกันมาดูต้นบรรยัติเลยนะครับต้นบรรยัติ อ, อ, ย, อยู่แถวหน้าสิบสี่นะครั บ, 14, รบเรื่องพระชาปนกีโดยสมัยนั้น พ, พุทธภาพพระเจ้าประทําอยู่หน้าพระเชตวัน อาลามข อ, อนาถามบิดิกาข้ามบริเขตพระนครสามวันีครั้งนั้นก็จะกวันคีให้ทําเตียงบ้างตั้งบ้างยัดด้วยนุ่นพวกชาวบาทท้านที่ไปทางวิหารเห็นข้อแล้วแต่ก็พากันเพ่งต้อถึงเทีนพุทนาว่าฉานั้นพระสมณะเชษฐาสัจจะกยบุตรจึงได้ทําเตียงบ้างตั้งบ้างยัดด้วยนุ่นเหมือนพวกเครื่องหันผู้บริโภคกามเล่า บนรดาอภิสุทธ์ทั้งหลายที่ยินชาวบ้านหลังนั้นเพ่งตื่นเตมบูธนาอยู่บรดาอพิสุทธิ์พผูม้มัางมล่สันโดษต่ก็แพ่งตื่นเต็มบูธน า, นาแล้วก็าการทพนวิญญาณทรงทราบผู้ปกองกทรสงสอบถามทรงติ่เต็มมาจากปัญคีและก็บบญสิขาบุตรนี้ขึ้นมานะะอันนี้ไม่ยากนะไม่ยาก้ า, กาจะอธิบายถึงนุ่นนะครับนุ่นนะนุ่นเนี่ยมันได้จากไม้สามชนิดนะครับ นุ่นได้แก่นุ่นสามชิ้นคือนุ่นเกิดจากต้นไม้นี่ครับนุ่นเกิดจากเท้าวันนุ่นเกิดจากดอกหญ้าเรานุ่นธรรมดานุ่นเกิดเกิดจากต้นไม้นี่นุ่นอะไรก็ต้นนุ่นใช่ไหมครับต้นนิ้วครับต้นนุ่นต้นนิ้วนะครับต้นนุ่นหมายถึงว่าไอ้นิ้วบ้านใช่ไหมถ้าจะเรียกว่านุ่นใช่ไหมครับหรือว่านิ้วบ้านนี่นะ นิ้วบ้างนะครับถ้าเป็นต้นนิ้วหรือว่านิ้วป่าใช่ไหมครับถ้าเป็นนิ้วป่าในลาบาลมีน้ํานะครับใครได้ยินเขาปีนต้นนิ้วใช่ไหมเนี่ยวัดวัดเรานี่ก็มีนะนะครับไอ้นุ่นมันไม่ค่อยดีหรอกไอ้นิ้วป่านะถ้าเป็นต้นนุ่นหรือว่าต้นนิ้วบ้างจะดีกว่านุ่นมาได้เต็มที่ไม่มาเต็มฝักเต็มอะไรนะครับแต่ใครต้องการดูนะน้ําต้นนิ้วก็มีนะครับวัดเราเนี่ยมันก็มีต้นนิ้ว อ๋อเงี้ยวนะต้นเียวแล้วต้ดอนะเงี้ยวอ๋อครับของเ้าเียเครื่ชีนะนุ่นเกิดจากเท้าวันก็มีนะครับเท้าวันก็มีนุ่นนะนี่ครับใคยเจอนะแล้วก็ต้นอะไรนะที่มันมีนุ่นอ่ะคือว่าต้นอะไรนะอันต้นสำลีใช่ไหมมีต้นสำลีนะครับต้นป้าใช่ไหยครับนั่นนะมีสำลีนะ แต่นี่เา้าวันบางอย่างก็มีนุ่มนะครับนุ่นก็จากดอกหญ้าเหล่านีนะก็ต้องสามอย่างนี้นะครับที่เหลือนี่เหมือนกันหมดเลยขาวเรข้าคนุ่นุ่มนั้นกินได้กินได้ครับไอ้ตอนอ่อนๆนะตอนไปนดงมันกินเลยนี่ครับตอนฝาอ่อมันก็จะฝาฝาหน่อยๆนะครับแล้วเขาางลากินเขาคงกินเม็ดมันนะกินเม็ดมันไม่ใช่กินสรีมันนะอ่กินสมรีเขาไม่ได้เขากินเม็ดมันนะครับ ไม่นุ่มครับมันเป็นของธรรมชาติเด็ดบ้านนอกอะไรก็กินได้ขาอ่อนๆกิน้ใช่ไหมวามีขนใจอย่าไปกินบ้าเดียวไปทหมอกลับมาดูในกลางขาครับหน้าสองร้หกสิเ็ดนะข้อที่หกเดี๋ยวข้อเนี้ท่านจะพูดถึงหมอดรื่นะครับ เรายังไม่เคยรู้ว่าหมอนเป็นที่ใช้ได้ไม่ได้เป็นงไงใช่ไหมมันจะมีขนาดนะครับถ้าหมอนใหญ่เกินเราก็ใช้ไม่ได้ใช่หกอธิบายจูโรนัชศิกขาบนพึงสราทาถอธิบายสิกาบทที่หกต่อไปเตียงและตัง่อว่าหุ่มนุ่นเพราะเขาเอานุ่มนุ่นนะหุ้มไว้ได้แก่เตียงหรือตังที่เขาล่าดผ้าไว้ยัดนุ่นแล้วเอาผ้าคุมไว้ข้างบน เตียงต่งได้ชื่อว่าอุทา น, นาการเหมือนกับเพทะนากานั่นแหละต้องรื้อนุ่นออกก่อนจึงแสดงอาบัติปสตรีตอกนะครับเ <c oughs> หตุเกิดและประเภทอาบัติคืครั้งบทนี้พรามิพะพ่าเจ้าทรงประรดพิสุชกันคีในเมืองสามัคคีบรรยายนะข้อเห็นคือการให้ทําเตียงและต่งที่ยัดด้วยนุ่นนะครับอานาบัตนะครับพิสุทําเป็นผ้ารับเข่าได้มีปัญหาครับ ผ้าพักอยยันุ่มได้ทํำตะคอดเอวนะครับสายกสะพาย่าตรกับาตผ้ากองนะ้พคนนี้ใช้นุ่นทําได้ไมีปัญหานะครับหมอนก็ดีหมอนก็ได้น ะ, น, น, น, น, ะนะครับหมอนยัดนุ่นสำลียัดนะครับได้นะครับอกองน้ำอะไรเร่อ น, นั้นนะได้เตียงต่างที่ผู้คนทําด้วยนุ่นนะครับหรือแล้วค่อยใช้สอยก็ดีที่สู่บ้านเป็นต้นก็ดีไม่ต้องอาบัด ก็ใ น, นบรรดาวัตถุที่ยัด น, นุ่นเหล่านี้พูดถึงหมอนนะครับหมอนที่มีขนาดเท่าศีสัานนั่นแหละจึงควรขนาดพอดีศีสันนะชื่อว่าขนาดเท่าสีสันได้แก่หมอนที่มีนะครับตรงกลางกว้างหนึ่งครึดูภาพนะถ้าจะพูดถึงหมอนสามเหลียมก่อนนะครับอันนี้หมอนที่มีตรงกลางนะครับกว้างหนึ่งครึ่สี่นิ้วระหว่างแห่งมุมทั้งสองของสามมุม อ่าแรกจะงงเป็นไงเห็นไอ้หมอนสามเหลี่ยมไหมผมคือว่าหนึ่งครึบสี่นิ้วคือตรงสองข้างที่เป็นฉากนี้นะครับเนี่ยอาจจะละข้างนี้นะครับความยาวนะคือหนึ่งครึบสี่นิ้วนะครับตรงกลางนะครับตรงกา ร, ะะ ร, กา ร, รข้างล่างเนี่นะครับตรงการข้างล่างเนี่นะตรงการกว้างหนึ่งสอง ก, กำมือนะครับเนอะกว้างหนสองกำมือถ้าตรงกลาง เขยว่าหนึ่งสอกับหนึ่งกรัมหนึ่งสอกรรมมือคือหนึ่งสอกับหนึ่งกรรมนะครับหนึ่งสอแล้วก็อีกหนึ่งกรัมใช่ไหมแล้วก็ยาวประมาณหนึ่งอครึ่งนะครับความยาวไปนะครับอันนี้คือตรงข้างนะยาวไปนะครับยาวไปนะครับหนึ่งสอบครึ่งนะครับอือหนึ่งสอบครึ่งกับหนึ่งสอบคืออันเดียวกันใช่ไหมหรือสองอก็ได้นะครับ ให้มันได้บาลานซ์หรั่นไดนะไหมนีลองดูผ้านะครับนี้มันจะได้ ก, กันไหมตรงข้างหนึ่งนะคือข้างลาง ก, ก็หนึ่งสองหนึ่งกรัมตรงข้างก็หนึ่งสองครึ่งหรือว่าสองสอ ง, สองแต่ถ้าหมอนสี่เหลี่ยมยนี้ท่านไม่ไดอธิบายแล้วนะแต่จะอธิบายก็ในวินยัยประโยกเริ่มกล้านะครับทานะหรือว่านังสือกระถาอะไร น, นะครับนะอธิบายถึงหมอนสี่เหลี่ยมดูผ้าหมอนสี่เหลี่ยมนะครับ จากมุมสู่มุมต้องไม่เกินหนึ่งสอบกับหนึ่งกำเพราะหมอนสามเหลี่ยมไม่นิยมใช้แล้วใช่ครับยิ่งแต่ ว, ว่าผ้าปูหรือผ้าอะไรที่เขาใช้นี่นะครับเนี่ยเพิ่งเราใช้หมอนสี่เหลี่ยมนะครับอย่างนี้นะจากมุมสี่มุมทั้งหมดเลยนะครับต้องไม่เกินหนึ่งสอบกับหนึ่งกำหนึ่งสอบนะใช่ไหมแล้วก็หนึ่งกำ น, นะครับต้องไม่เกินนี้โว้ยก็ใหญ่อยู่นะใหญ่นะครับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาปนระมาณนี้นะ โอมใหญ่ริงๆนะครับคือสองอครับครับนั่นแหละถ้าใหญ่เกินกว่านี้ก็ไม่ได้นะคือทุกมุมเลยต้องไม่ไม่เกินนี้นะครับเล็กว่านี้ก็ได้นั่ก็คือว่าใหญ่ถใหญ่ครับแล้วก็ดูให้ดีก็ห้องคลังหมอนใบไหนที่มันใหญ่ใหญ่กว่าหมอนีสาอีกป็นหมอที่โอ้กว่าเยอะครับหมอนสามนั่นไม่ใหญ่นะครับคุนอนแล้วคปวดคอปวดคอห้องไม่ได้แกยั้นนุ่นถ้าเยอะเกิน ยตายแม่ใหญ่ทำพิเศษแต่อันนึงเลใหญ่อย่ า, ยาไปยัดเยอะกันอืมครับต่อไปนะสุดท้ายบทนี้มีองค์สองเหล่านี้คือหนึ่งเตียงต่างถุงยัดด้วยนุ่นนะครับสองอย่างทั้งสองนั่นยิ่งเนหนึ่งนะครับสองได้มาจากการทําด้วยตนเองหรือใช้ผู้อื่นทำนะครับคําที่เหลือคุณทราบในดังกล่าวแล้วแหละ จบการอธิบายโรนทักสินคาบทออกนะครับ